นโบตัสสะภควโตอะระหโตสัมมาสัมบุตัสสะนับตัสสะภควโตอะระหโตสัมมาสัมบุตตสสะนโบตัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมบุตตสสะสมาติปิกเวภาเวตะ สุสมาหิโตยธาภูตังปชาณาตีติมะลำดับต่อแต่นี้ก็จะได้แสดงธรรมะเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อภาษาธะความเลื่อมใสปัญญา ความรู้อันนำเข้าไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งซึ่งในเวลานี้มันก็จะประกอบกันโดยการฟังธรรมะบ้างสลับกับการปฏิบัติเราก็หนึ่งเดือน ามาพบกันครั้งหนึ่งตามโปรแกรมของการอบรมอาณาปานสติซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดสิบสองในการเจอกันเดือนละครั้งเนี่ยมันหมายความว่าไม่ใช่หนึ่งเดือนปฏิบัติหนึ่งครั้งแต่มันหมายความว่าหนึ่งเดือนที่เราปฏิบัติกันมาใจ ช, ชีวิตกันมาก็เข้ามา กันครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาสํารวจตรวจสอบสารวจตรวจสอบแล้วก็มาทดสอบทดลองฝึกฝนอบรมชนิดที่เรียกว่าเข้มงวดทําเหมือนกับเราไปโรงเรียนเราไปโรงเรียนโรงเรียนปกติแต่ว่า ในหนึ่งเดือนเราก็ไปกวดวิชาทีทีหนึ่งไปกวดวิชาทีทีหนึ่งแต่ว่าไอเรียนจริงๆอ่ะคือเรียนที่โรงเรียนแต่ว่าพ อ, พอได้เวลาเราก็ไปกวดวิชาทีทีหนึ่งมันยังอ่อนตรงนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้มันยังอ่อนตรงโน้นก็ไปกวดวิชาทีทีหนึ่งเพราะนั้นเราจะใช้ การมาเจอกันว่าเป็นการเรียนปกติไม่ได้มีิฉนั้นแล้วชีวิตในประจำวันของเรามันก็จะทำให้เกิดการห่างเหินจากการปฏิบัติไปธรรมะมันต้องอยู่ทุกขณะจิตเหมือนอย่างายการธรรมะก่อนฉันวันแรกของการเปิดใจถูกธรรมที่ได้กล่าวถึงเรื่องมานพ สนทนากับพระพุทธเจ้าคือเขาตั้งคำถามหลังจากที่เขาพิจารณาใครครวนถึงเรื่องของชีวิตว่าสิ่งที่เป็นใหญ่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่และอย่างแต่และอย่างมีอะไรบ้างาก็เห็นว่าตามีความสำคัญหูมีความสำคัญลิ้น มีความสำคัญจมูกมีความสำคัญกายสัมผัสมีความสำคัญที่เขาคิดอย่างนี้ได้เนี่ยก็เขาดึงตัวเขาเองออกมาแล้วก็มองดูรูปภาพจำลองของชีวิตที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในโลกว่าชีวิตที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในโลกนั้นมันเคลื่อนไหวไปอย่างไร เพราะว่าเขามองเห็นถึงเรื่องของโลกว่าโลกที่แท้จริงมันก็มีอยู่แค่เป็นรูปเป็นสีอย่างหนึ่งเป็นเสียงอย่างหนึ่งเป็นกลิ่นอย่างหนึ่งเป็นรสอย่างหนึ่งและเป็นการปราุตตะพะคือที่มากระทบกับกายประสาทนี่ก็ส่วนหนึ่งก็มีอยู่เท่านั้นแม้ว่าเราจะไปบัญญัติชื่อสมมุติเรียกหลากหลายไม่สามารถที่จะพูดให้หมดได้ ไม่รู้จะมีสักกี่ล้านชื่อนะชื่อเรียกสิ่งต่างๆในโลกที่เราสมมติกันบางสิ่งก็ยังไม่มีชื่อเรียกก็สงเคราะห์เข้าว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งมันมีเยอะมากแต่ว่าตัวชีวิตคือตัวชีวิตคือตัวเราที่มันอยู่ในท่ามกลางโลกเนี่ยถ้าเราไปเอาประมาณของชื่อ ที่มันมีเรียกกันอยู่อยู่กันเรียกว่าใส่ใจกันจนตายก็ไม่จบเพราะฉะนั้นในการเชื่อมระหว่างตัวเรากับโลกมันก็ดูเป็นส่วนๆไปอะไรเป็นใหญ่ในส่วนไหน อ, อุณ น, ณนาภามานนทังก็คิดว่าเออโลกแม้มันจะใหญ่อยู่ก็จริงแต่มันมีอยู่ห้าส่วน ส่วนที่เป็นรูปเป็นสีส่วนที่เป็นเสียงส่วนที่เป็นกลิ่นส่วนที่เป็นรสส่วนที่เป็นโผฏฐัพพะอันมากระทบกับกายและในส่วนตัวชีวิตของเรามันก็มีตัวที่เป็นใหญ่อยู่ในเรื่องนั้นๆตาเป็นใหญ่ในเรื่องของรู้รูปรู้สีนนหูเป็นใหญ่ในเรื่องของรู้เสียงลิ้นเป็นใหญ่ในเรื่องของรู้รสจมูกเป็นใหญ่ในเรื่องของการรู้กลิ่นกายประสาทเป็นใหญ่ในเรื่องของการกระทบ เฉันเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็มีอยู่เท่านั้นนี้พอถามพระพุทธเจ้าว่าในในความเป็นใหญ่ของชีวิตแต่ละอย่างที่เรียกว่าอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่นะจากขุนทรีย์โจตินทรีคานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์เนี่ยอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ทั้งห้าอย่างเนี่ยมันมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ก็หมายความว่าตามันเป็นใหญ่เฉพาะในส่วนที่เป็นรูปเป็นสีตาก็เป็นใหญ่เรื่องของตาหูก็เป็นใหญ่เรื่องของหูเจ้าหมูเป็นใหญ่เรื่องของจมูกลิ่นเป็นเรื่องเป็นใหญ่ของกลิ่นลิ้นก็เป็นใหญ่ในเรื่องของลิ้นกายศาสตรก็เป็นใหญ่ในเรื่องของกายศาสตรเมื่อต่างคนต่างเป็นใหญ่แยกกันอย่างอิสระอย่างนี้นะ ทั้งหมดนี้มันจะต้องยึดเหนี่ยวด้วยอะไรอะไรแต่จะเป็นตัวที่จะยึดเหนี่ยวหรือประสานสิ่งเหล่านั้นให้มาประมวลผลเข้ามาเพื่อเพื่อให้เกิดกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้พระพุทธเจ้าก็ตอบกับอุนนณพมนุว่าอินทรีย์ทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมีใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็เลยได้ใจมา ใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันไม่ใช่ยึดเหนี่ยวธรรมดานะมันเป็นใหญ่มันเป็นประธานมันก็สำเร็จอยู่ที่ใจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตาหูจมูกลิ้นกายมันจึงเป็นเพียงแค่นายประตูเรียกว่านายทวารบาลสำหรับที่จะให้ใจเข้าไปรู้เรื่องเรื่องรูปเรื่องสีเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องการสัมผัสต่าง มันเลยสำคัญอยู่ที่ใจทั้งนั้นพอ ป, ปจัจจเข้ามาแล้วในใจก็เป็นใหญ่อุณนันพมานพก็ถามพระพุทธเจ้าว่าแล้วใจที่ว่าเป็นใหญ่ในอินทรีย์ทั้งๆเนี่ยมันมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าใจนั้นมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนีนี้ท่านต้องทำความเข้าใจว่า ที่อุนนานพมานพถามเนี่ยเพราะมุ่นมุ่งผลในทางกุศลสู่สันติคือมุ่งเข้าไปสู่ความดีงามจนถึงความสงบอย่างสูงสุดเรียกว่าจากกุศลสู่สันติว่ามันจะเป็นไปอย่างไรและก็ถามผู้ซึ่งได้ตรัตรู้อย่างผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าเมื่อใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีย์ ใจจึงมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะแม้นว่าสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่ที่ใจนะสรรพสิ่งตกอยู่ที่ใจสุกขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจเสื่อมหรือจเจริญก็อยู่ที่ใจมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ใจแต่ในข้างควายดีจนไปถึงสันติคือพระนิพพานอย่างสูงสุดนั้นต้องมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ถ้าใจไม่มีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันดีไม่ได้เพราะสภาพของใจที่มันปรากฏอยู่ในสภาพของชีวิตทุกชีวิตนะที่มีใจอยู่นั้นมันมีอวิชชาเป็นทุนเดิมอยู่อวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นมาหุ้มห่อใจถ้ามันไม่มีการฝึกฝนให้มีสติเป็นเครื่องเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจอวิชชามันก็จะเป็นใหญ่ เมื่ออาวิชาเป็นใหญ่มันก็เคลื่อนไหวไปกับความไม่รู้พอเคลื่อนไหวไปกับความไม่รู้ใจของเรามันจึงทำให้มีปกติไหลไปสู่สิ่งที่มันชอบนั้นเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเนี่ยมันก็จะเรียกหาเฟ้นเลือก มันก็เกิดสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบขึ้นมาแต่ธรรมชาติของใจมันจะวิ่งไหลตกไปสู่สิ่งที่มันชอบเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูสิ่งที่มันชอบเขาเรีย ก, กว่าการมมคุณห้าคือมันชอบแล้วมันก็ชอบคล้ๆกันคือสิ่งที่เข้ามาแล้วมันสนนสนองความชอบของใจที่มีนันธิราคะคือ ความใคร่อย่างเพลิดเพลินในเรื่องต่างๆทั้งส่วนที่ผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ากามาคุณห้าใจเราโดยปกติมันก็จะตกลงไปตรงนั้นทุกคนตกลงไปตรงนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจึงนำไปสู่ทุกเหมือนกันมันจึงมีคาพูดคากล่าว กาทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดก็ด้วยเหตุที่ว่าในความชอบที่ใจมักไหลหล่นตกไปนั้นมันยิ่งไปเพิ่มพูนความไม่รู้คืออวิชชาให้มีกำลังขึ้นอวิชชาที่มีกำลังขึ้นก็สร้างกำแพงโบหะคือความหลงให้กับเรามากขึ้น ตำแงโบหะที่เขามีขยายฐานอย่างใหญ่โตเติบโตขึ้นมานั่นเขาจะเป็นทำให้เกิดความมืดมนทางปัญญาพระพุทธเจ้าดันเรียกว่าตามาซาบริวาริโตคือว่าเหมือนกับความมืดความมืดแหวกลอ้อมอันนี้คือใจที่ไม่มีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันเส้นทางนี้พระพุทธเจ้ารู้ว่า โดยธรรมชาติใจมันฝึกฝนอบรมได้การฝึกฝนอบรมใจเนี่ยไอ้กิเลสมันก็ฝึกฝนอบรมใจคนเราเมื่อเด็กๆด็กก็มีนิสัยอย่างหนึ่งวัยรุ่นก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งโตขึ้นมามีนิสัยอีกอย่างหนึ่งใกล้ใก้แก่ก็มีนิสัยอย่างหนึ่งไอ้แก่ชรามันก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งไอ้นิสัยนิสัยนิสัยเนี่ยล้วนแต่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมของกิเลส กิเลสมันฝึกฝนอบรมเราไปเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามการอบรมของกิเลสแต่ในจิตใจนั้นมันมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่คือธรรมะธรรมะถ้าเราฝึกฝนอบรมใจด้วยธรรมะนำธรรมะมาใช้ฝึกฝนอบรมใจใจมันก็จะเปลี่ยนข้ามาอยู่ในทางธรรมะใช้ธรรมะเป็นใหญ่ทรับเวลาพระพุทธเจ้าตอบพระตอบว่า ใจมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสติตัวนี้เป็นสติที่ชื่อว่าธรรมะจะต้องเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมฝึกฝนอบรมใจด้วยธรรมะก็เกิดเป็นสติขึ้นมาเมื่อใจมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอุณนภามนบจึงถามพระพุทธเจ้าคือต้องเข้าใจว่าอุณนภามนบนี่เขาถามทันทีนะเขาเข้าใจทันทีที่พระพุทธเจ้าตอบ เขาก็เลยถามพระพุทธเจ้าต่อว่าแล้วสติมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวพระพุทธเจ้าเลยตอบว่าสติมีวิมุติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทําไมสติจึงมีวิมุติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพราะว่าสติเนี่ยเขาไม่ได้มีเฉยเฉยนะสติมันมีความระลึกรู้ ระลึกหน้าที่หนึ่งรู้นั่นหน้าที่หนึ่งแต่มันรวมอยู่เราเรียกว่าระลึกรู้ระลึกเข้าไปไหนนะระลึกเข้าไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายระลึกเข้าไปที่กายระลึกเข้าไปในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้รู้เนี่ยรู้อะไรรู้ในความเป็นจริงที่มันปรากฏเราเลยเรียกว่าระลึกรู้ถ้าใช้ในทางปฏิบัติ เรียกว่าเป็นความระลึกรู้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดระลึกรู้ก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดเพื่อที่จะให้มันเป็นการทําการพูดการคิดที่ดีที่สุดไอ้นี่เรียกว่าไอ้ใช่ในการในการพูดกันโดยปกติแต่ใจที่มีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสติตัวนี้ที่ว่าระลึกรู้เราพูดเรียวเร็วรวมรวมว่าระลึกรู้ แล้วเราก็เข้าใจความหมายตัวระลึกตัดออกไปแล้วเราก็ไปเข้าใจเพียงแค่รู้เราไม่เข้าใจในตัวระลึกเราด้อยค่าคําว่าระลึกแต่เราไปเอาแต่รู้รู้รู้สติที่ว่าระลึกรู้เนี่ยเพราะว่ามันรวมไปถึงตัวสัมปชัญญะหรือปัญญาเข้าไปด้วยเนื่อเมื่อใจมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหมายความว่าสติตัวนั้นมันมีสัมปชัญญะมีปัญญาอยู่ในนั้นด้วย เรียกว่าระลึกรู้สติที่ว่าระลึกรู้เนี่ยเขาทำงานอย่างไรก็คือรู้ในความเป็นจริงที่ปรากฏอะไรที่ปรากฏเขาก็รู้ระลึกและรู้ในสิ่งนั้นความเป็นจริงของสิ่งนั้นก็จะปรากฏตามความเป็นจริงความเป็นจริงของสิ่งนั้นปรากฏตามความเป็นจริงในที่สุดเมื่อในขณะที่มันปรากฏ การเกิดขึ้นปรากฏการเปลี่ยนแปลงปรากฏความสลายไปปรากฏเนี่ยความเป็นจริงของสรรพสิ่งไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เมื่อเราดูในขณะที่มันปรากฏตามความเป็นจริงแต่ก่อนเราไม่ได้ยินเสียงและเมื่อเสียงปรากฏถามว่าเสียงนั้นมีอยู่ไหมอา่ามีอยู่มีอยู่มันคือความจริงที่ปรากฏอาสติระลึกรู้แล้ว เสียงยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็มันเป็นความเป็นจริงที่ปรากฏเสียงมันหายไปก็แสดงว่าการหายไปของเสียงมันเป็นความเป็นจริงที่ปรากฏใขนาดนั้นเห็นไหมะมันมันมีอะไรที่ปรากฏปรากฏจิตใจที่มีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเขาก็จะรู้ในสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงซึ่งปรากฏตามความเป็นจริง ที่ท่านใช้ว่าใจมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนั้นหมายความว่าไม่เอาอํานาจของตัณหาอุปาทานเข้าไปถ้าถ้าเป็นอารมณ์ใจไม่มีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันก็จะมีอํานาจของตัณหาอุปาทานตัณหาก็คือความทยานความอยากความปรารถนาความหวังอุปาทานก็คือการยึดถือไว้คาดหมายไว้เพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่ไว้ ซึ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเอามาเป็นส่วนอดีตหวังว่าจะต้องดได้เห็นอย่างนั้นหวังว่าจะได้ได้ยินอย่างนี้หวังว่าจะได้กลิ่นอย่างนั้นหวังว่าจะได้ลิ้มรสอย่างนี้หวังว่าจะได้สัมผัสอย่างนั้นเสร็จแล้วพอความเป็นจริงปรากฏมันไม่ได้เป็นดังหวังมันก็เป็นทุกข์อันนั้นเรียกว่าในอำนาจของตัหาอุปาทานแต่ว่าใจที่มีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ย มันจะเป็นใจที่รับรู้ตามความเป็นจริงที่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏนั่นเป็นความเป็นจริงตามความเป็นจริงมันเลยไม่มีอะไรมากมันได้แต่ความรู้ได้แต่ประสบการณ์ที่สั่งสมอบรมปัญญาเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสติอุณหพมนกถามพระพุทธเจ้าว่าสติมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว พระพุทธเจ้าจึงตอบว่าสตินั้นมีวิมุตเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเป็นจริงที่ปรากฏในสุดท้ายความเป็นจริงของสรรพสิ่งมันไม่มีอะไรนะมันก็มีแค่ความก็เรียกว่าอุปาะทะ ท, ทิตฐิพังคะคือว่ามันมีการเกิดขึ้นปรากฏแล้ตั้งอยู่ปรากฏแล้วก็พังสลายดับไปปรากฏ มันมีสามวาระที่ปรากฏตามความเป็นจริงนะที่นอกเหนือจากสามวาระนี้ก็อยู่ด้วยอานาจของอวิชาตันหาอุปาทานและก็กรรอันนี้อันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตอบทันทีว่าสติมีเครื่องมีวิมุตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพราะเมื่อดำเดินเมื่อสติสติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจแล้วมันไม่ไปไหนมันเดินเข้าไปสู่อะไรมันเดินเข้าไปสู่ความเกิดและความดับความเกิดและความดับเป็นความจริงที่ปรากฏต่อจิตอย่างมีสติเมื่อใดในเรื่องนั้นๆตรงนั้นมันก็จะไม่มีอวิชชาตันหาอุปาทานมันก็กลายเป็นวิมุตในเรื่องนั้นจิตมันก็ปล่อยวางไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปปล่อยวางไปในเรื่องนั้นๆเดี๋ยกว่ามันไม่มีทุก จึงมีวิมุติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไอ้ตัววิมุติมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอุณหภมานลบถามต่อพระพุทธเจ้าก็เลยตอบทันทีว่าวิมุติมีนิพพานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทําไมวิมุติจึงมีนิพพานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอันที่จริงมันก็เป็นเหตุเป็นผลมันเป็นเป็นเป็นเหตุเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อวิมุติคือพ้นพ้นจากการเป็นทุกข์ตรงนั้นแล้วเนี่ย สภาวะตรงนั้นมันเกลื่ปราศจากการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งใดๆเมื่อไม่มีการปรุงแต่งใดๆการจะไปไปเกิดเป็นชาติเป็นเทราเกิดเป็นสังขารเกิดเป็นอะไรต่างๆมันก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยเข้าไปปรุงแต่งให้เป็นอะไรสภาวะนั้นเรียกว่าพระนิพพานและอันนั้นแหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวของวิมุตต์วิมุตต์เป็นที่ยึดเหนี่ยวของสติสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจ ใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีย์เพราะฉะนั้นนี่คือการการทําความเข้าใจเพื่อถอดกลไกลของชีวิตเพื่อถอดกลไกลของชีวิตในทั้งส่วนระบบของความคิดเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสนทนากับผู้ซึ่งเป็นครึมหัดเป็นปุตุชนธรรมดาแต่เราสามารถ ทำความเข้าใจได้รู้กันได้ก็ถ้าราเข้าใจอย่างนี้เข้าใจตามนี้มันจึงถอยกลับไปสู่สิ่งที่เป็นความสำคัญของสิ่งที่ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมความสำคัญของคาว่าการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนนอกเหนือจากการรู้จักในเรื่องของอินทรีย์ในเรื่องของชีวิต สิ่งสำคัญของการปฏิบัติธรรมมันจึงต้องไปจับอยู่ที่คาว่าสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจเราจึงจาเป็นที่ต้องไปอบรมจิตสติให้ใจยึดเหนี่ยวให้ได้คาว่ายึดเหนี่ยวเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องมีกำลังพอเหมือนเราขึ้นบันไดเราเดินบันไดเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวคือด้านข้างของบันไดนั่น มันจะมีราวบันดไดเห็นมราวบันไดเนี่ยเราเคยเห็นคนหล่นร่วงลงมาเยอะแล้วเพราะราวบันไดอ่อนแอราวบันไดอ่อนแอหมายความว่าเครื่องยึดเหนียวไม่มีกำลังไม่แข็งแรงอะไรก็ตามถ้าถึงขนาดที่จะเป็นเครื่องยึดเหนียวของใจได้เนี่ยมันจะต้องมีเป็นเครื่องยึดเหนียวได้มันจะต้องมีกำลังมันจะต้องแข็งแรง นึกภาพนี้ไว้การปฏิบัติธรรมก็คือการทําสติเจริญสติฝึกฝนอบรมจิตให้สติซึ่งเป็นเครื่องรื่นเหนียวของจิตนั้นมีกําลังพอมีกําลังมากเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราเหมือนร่างกายของเราจะเดินขึ้นไปเนี่ยถ้าเครื่องยึดเหนียวที่มือเราไปจับมีกําลังมากกว่าน้ําหนักของเราเนี่ยเราก็สามารถห้อยโหนขึ้นตัวได้ แต่ถ้ามันมีกําลังน้อยกว่าน้ําหนักร่างกายของเราเราจะห้อยโหนทั้งตัวไม่ได้เราก็ต้องทิ้งน้ําหนักบางส่วนไว้ที่ขาให้เท้าของเราไปรับน้ําหนักแบ่งน้ําหนักไปรับส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเครื่องยึดเหนี่ยวนําไปไว้ส่วนหนึ่งอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเราลงมือฝึกอบรมสติเมื่อสติเขาตั้งขึ้นมาเป็นที่พึ่งของใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจได้เนี่ยเขามีกําลังในระดับไหน เขาก็สามารถที่จะละอกุศลธรรมในระดับนั้นได้เขาก็สามารถละอกุศลธรรมในระดับนั้นๆได้ด้วยกำลังของสติที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจตามกำลังตามความเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันเลยต้องมองตรงนี้นะต้องมองตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงกันตามนี้เราก็จะเห็นว่า จิตที่มันมีความวาดหวังจินตนาการอย่างไรเหตุผลมันไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ตรงนี้ได้มันจะต้องเป็นจิตเป็นปัญญาที่ปรับติดนี้ให้รู้อยู่กับความเป็นจริงเท่านั้นมันจึงจะเข้ามาสู่ตรงนี้ได้ถ้าเราหวังว่าหวังให้คนนั้นช่วยหวังให้คนนี้ช่วยหวังให้คนน้นช่วยหวังให้สิ่งนั้นช่วยหวังให้สิ่งนี้ช่วย เราไม่สามารถไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ตรงนี้ได้แต่ถ้าพอเราเข้าใจตรงนี้ยอมรับความเป็นจริงแบบนี้มันการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องมันจึงเริ่มต้นขึ้นสติจะตั้งมั่นอยู่นี่มันจะเกิดเป็นความบริสุทธิ์สามอย่างก็ เ, เรียกว่าปฏิปทาบริสุทธิ์ความทรงตัวอันบริสุทธิ์และผลอันบริสุทธิ์ปฏิปทาอันบริสุทธิ์เราจะไปดูจากไหน เราว่าเอาเองไม่ได้ควังจากพระอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ว่าจะพระสอนหรือไม่ว่าเราจะคิดทำของเราเองก็ได้แต่ว่ามาันจะต้องควังจากพระพุทธเจ้ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ค้นพบ และเป็นผู้ที่มีความช่ำชองวิธีการต่างๆทรงทดลองมาหมดแล้วนำมาจัดมาบอกมาสอนมาชี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องเดินในแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างตรงไปตรงมาแนวทางตรงนี้แหละเราก็เลยเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละ เราจะไปคิดเอาเองไม่ได้ว่าเอาเองไม่ได้หรอกเราคิดเอาเองก็ได้ว่าเอาเองก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราคิดเองว่าเองมันจะต้องสอดคล้องรับกันได้กับที่พระพุทธเจ้าสอนตรงนี้มันจะต้องหนักแน่นต้องยืนหยัดไว้มิฉนั้นเราก็ไม่สามารถไม่สามารถทําข้อที่หนึ่งให้ได้ก็เรียกว่าปฏิปทาบริสุทธิ์ในเรื่องของสติ อันบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องมีปฏิปทาที่บริสุทธิ์ต้องได้แนวของพระพุทธเจ้าไว้อันที่สองความทรงตัวที่บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจิตมีสติเป็นเครื่องมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสติที่ยึดเหนี่ยวอยู่ที่จิตนั้นมันจะต้องทรงตัวอยู่กับอุเบกขาคือเขาต้องเป็นกลางอันนี้ก็จะยากสักนิดหนึ่งแต่ให้ตั้งใจฟังนะ ฟังไกฟังไว้แต่เราเป็นคนปฏิบัติพอฟังอย่างนี้ปั๊บเราก็ต้องน้อมระลึกไปถึงสภาวะแห่งการปฏิบัติในคราที่เราปฏิบัติอยู่ว่าเป็นอย่างไรว่าใจเป็นที่มีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วพอพูดแบบนี้ใจมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วคือมันจะบริสติที่บริสุทธิ์จะต้องมีสามอย่างหนึ่งปฏิปทาบริสุทธิ์สองการทรงตัวที่บริสุทธิ์สาผลที่บริสุทธิ์ ปฏิปทาที่บริสุทธิ์มันก็ได้แนวของพระพุทธเจ้าซึ่งพูดอื่นไกลไม่ได้เลยก็ต้องเรียกว่าสติปฐานสี่สติปฐานสี่นั่นแหละคือการปฏิบัติทำทั้งหมดของพระพุทธศาสนาต้องสงเคราะห์เข้าไปในนั้นทีนี้ตัวทรงตัวอย่างบริสุทธิ์ก็คือว่าจะต้องสตินั้นจะต้องอยู่บนฐานของ อุเบกขาเรียกว่าต้องพอพูนอุเบกขาต้องทรงตัวอย่างเป็นกลางใจจะเป็นสติจะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจต้องทรงตัวเองอย่างเป็นกลางถ้าไม่เป็นทรงตัวเองอย่างเป็นกลางเรียกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจไม่ได้เพราะมันถูกปรุงแต่งก็ไปเป็นอารมณ์อื่นๆและผลของมันละ่ะที่บริสุทธิ์นั้นหมายความว่ามันก็ต้องมีความร่าเริง พ้มภูนฉันทะมีฉันทะในการที่จะน้อมก็ไปสู่ธรรมะในสู่การปฏิบัติในสู่อรทรบาในาร ท, ทนั้นอันนี้ เ, เรียกว่าตัวสติที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจสติตัวนี้จึงมีวิมุติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและวิมุติที่เกิดมาอย่างนี้จึงมีพระนิพพานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนี่ก็พูดจะให้เป็นที่เข้าใจกันไว้เราถอยกลับมาสู่การปฏิบัติธรรมตรงที่ว่า ใจมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเราอยู่ๆจะไปมีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวดังว่านะมันยากไอ้นี่เดี๋คืกการปฏิบัติการเพื่อให้สติแข็งแรงสติที่ถูกต้องนั้นเขามีกำลังแข็งแรงเพื่อให้เป็นที่เครื่องเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจให้ได้ใจที่ไม่มีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็จะไหลเข้าไปสู่อารมณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาเขาไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นมันก็จะปรากฏในสอง ร, รูปแบบคือที่ชอบใจกับไม่ชอบใจชอบใจก็ระารื่นลื่นโล่งหลงเหลือ ง, ล, ง, ล, งลอยในที่ไม่ชอบใจก็สุดที่ความเดือดดาลอันนี้ไม่มีสติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องพูดถึงตัวนี้แล้วเพราะเราก็พบเหตุการณ์อย่างนี้เราเคยเจอสาภาวะแบบนี้ สภาวะที่ชอบใจสภาวะที่ไม่ชอบใจสภาวะที่มันเหลืองลอยสภาวะที่มันลุ่มหลงอะไรต่างๆเราก็เจอกันมาเยอะแล้วนี่เรามาก็ดูตรงนี้ว่าเราจึงต้องเข้าสู่การกระบวนการในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สติมีกำลังที่แข็งแรงสำหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจให้ได้ก่อนเมื่อตกี้บอกว่าการปฏิบัติการเพื่อเข้าไปสู่ การอบรมฝึกฝนเพื่อให้สติแข็งแรงนั้นมันต้องอยู่ในหลักของสติปัฏฐานซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้สี่ประการแต่ที่พวกเราได้ใช้เป็นหลักการปฏิบัติด้วยมานั่นก็คืออาณาปานาสติสมาธิก็คือสติที่เกิดขึ้นจากการรูลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนี้ เป็นเครื่องมือในการฝึกสติเจริญสติให้เขามีกำลังสำหรับที่จะให้ใจเป็นขึ้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจให้ได้เพราะนั้นเมื่อเรามากลับมาตรงนี้ว่าอาณาปานาสติเมื่อใดให้ท่านทั้งหลายจงรู้ไว้ว่าเรากำลังจะเจริญสติด้วยการใช้ลมหายใจนี่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกเต็มๆว่าอาาปานาสติสมาธิ